ถ้าทำมหเทศนาแผ่นที่69าลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่8มกราคม2 5 5 8มีชื่อเรื่องว่าอย่าลืมงานของใจวันนี้เป็นวันที่8 ม ก, กราคมพุทธศักราช2558เมื่อวานหลวงพ่อออกไปไปกราบคารวะหลวงปู่บุญมีวัดป่านาคนูนตอนเย็นดูแล้วก็สุขภาพของท่านก็แข็งแรงนะดูโดยภาพรวมแล้วก็แข็งแรงหลวงปู่แล้วก็ การพูดของลุงปู่ก็มีเสียงขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ยังหลวงพ่อเองไม่คุ้นเชื่องในภาษาท่านก็ฟังดูแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็มีลูกศิษย์ที่อยู่ใกล้ๆท่านเป็นผู้แปลอีกทีหนึ่งท่านก็พูดอะไรออกมาถ่ายทอดความรู้สึกออกมา ได้ดีแล้วก็ท่านก็บอกว่าไปทาที่หมอสิริราชเกี่ยวกับน้ำมันไปอยู่ในสมองจากนั้นก็เจาะที่ไขสันหลังเข้ามาหากระเพาะเอาน้ำเข้ามาในช่องท้องพระก็บอกว่ามีวาวด้วยนะท่านอาจารย์มี เปิดปิดด้วยมันเราก็บอกอ่ะมันอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอกหรือเปล่าไม่ใช่อยู่ข้างในอ่ะถ้าอยู่ข้างในเลยจะไปปิดเปิดได้ยังไงหมอกว่าปิดเปิดด้วยแม่เหล็กระบบไฟฟ้าเหมือนโอ้หมอทุกวันเนี่เขาวิวัฒนาการไปได้ไกลคลายบ่อน้ํำทามันมากเขาก็เปิด เปิดวาลให้มันไหลแรงถ้ามันน้ามันค่อยอยู่แล้วกลัวน้าจะไม่พอนะเขาก็ใช้ระบบแม่เหล็กปิดวาลให้มันไหลพอพอเหมาะและก็รู้สุขภาพของท่านก็รู้สึกดีขึ้นพาคีสันที่วาการสันก็ไม่ไม่มากเท่าไหร่ไปดูเมื่อวานเห็นแล้วโอ้หน้าตา ของท่านท่านก็ไม่มีทุกข์อยแล้วล่ะแต่ก็สุขภาพของท่านรู้สึกว่าดีแล้วก็ได้กล่าววารัตนาท่านท่านจะลงไปกรุงเทพอีกไปตรวจสุขภาพอีกช่วงวันที่ 11-12 ก็ดทั้งหมอ ท, ทั้งศิริราชก็ุดสุดแท้แต่ลวงปู่สะดวกะก็พร้อมทั้งนู้นก็พร้อมอยู่เสมอ แล้วก็เลยกล่าวปรารถนาท่านว่าสวนแสงธรรมวันที่สิอจะมีการเทเท ท, ทองรูปเหมือนเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชสองรูปเมื่อคราวเมื่อคราวที่แล้ววันที่28่ทันวาเนเท ร, รูปเหมือนองค์หลวงตาเอาไว้ที่สวนแสงธรรมแต่คราวนี้จะเท ร, รูปเหมือนเจ้าประคุณสมเด็จ พระสังคราชสองรูปครูจานได้รับจุดได้รับประรลาดนานิมนต์แล้วครูจานจะลงไปได้ไหมท่านก็เออแต่ท่านคงจะไปพักที่มหาชัยแล้วตอนสายๆฉันยังหันเสร็จจะเข้ามาเออก็ได้กาประรลาดนานิมนต์เมื่อวานนี้นะ <c oughs> แล้วก็วันนี้ทางท่านอาจารย์เล็ก นาขามก็คงจะทําบุญลาลึกถึงหลวงปู่เหลียญวรราโภที่วัดของท่านเล็กอันนี้ก็คือการลําลึกถึงครูบาอาจารย์ถึงจะทําที่ไหนอยู่ถึงจะจูวัดไหนกค็คือคือทําถึงครูบาอาจารย์อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลาย ถึงจะทำอยู่ที่วัดปานาคำน้อยแต่ลำเลึกถึงพระพุทธเจ้าทำวิสาขาอยู่ที่นี่ลำเลึกถึงพระพุทธเจ้าตประสตูตัดสรู้ปรินิพานถึงจะทำที่ไหนก็คือลําลึกถึงผู้มีอุปกระคุณผู้มีพระ ค, คุณคือพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ แต่ถ้าไปรวมกันได้ก็ดีถ้าเป็นรวมกันมากๆก็มากเกินไปแต่อย่างหลวงปู่จามก็วันที่1 9ที่ท่านมรณภาพหลวงปู่ล่าวันที่18มรณะภาพเดือนเดียวกันนึมกราเหมือนกันแต่ทางคณะสิทธิานุสิทธิลูกลานก็จะจัดงานหลวงปู่ล่าเนี่ยเป็นวันที่17เจสวดมวนต์สวดมวนต์เย็น แล้วก็วันที่ส8บปดถวายพระทหารเช้า17เจ็ดในสวดมนต์เย็นแล้วก็ฟังธรรมเทศนาทำกิจกรรมคารวะพัจดีคารวะอธิธาต์พระธาตุของหลวงปู่ล่าแล้วก็วันที่ส9เกคงทำกราบคารวะหลวงปู่จามก็ขยับไปอีกนะ หลวงปู่จามขยับไปอีกเพราะท่านมรณภาพที่หลังเจ้าขยับออกไปวันที่1ิบ0ก้ายิบเนี่ยแหละถ้าไม่มีอะไรหลวงพ่อก็หลวงพ่อเองก็คงจะได้ไปแต่หลวงพ่อพูดว่าทำที่ไหนก็ได้ลำลึกถึงหลวงปู่ล่าหลวงปู่จามทำที่วัดของเรากราบที่วัดของเราไม่ได้เหรอก็ได้แต่ว่าถ้าหากว่า จัทธทยญาติโยมลูกหลานไปรวมกันไปแสดงออกซึ่งเคารพคารวะในวันงานเช่นนั้นก็จะดีเพราะว่าพวกเราจะได้ดูและเป็นพึกแผ่นพร้อมกันทำความเคารพคารวะครูบาอาจารย์ เ, เป็นจิตยลักษณะพร้อมหน้าพร้อมตากันจะได้ถามสารถุกสุขติบกันไปมายังไง อันนี้ก็คืองานของหลวงปู่ล่ากับหลวงปู่จามหลวงพ่อถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีอะไรก็คงจะได้เดินทางไปในงานของสองพระอาจารย์หลวงปู่ทั้งสองที่เป็นที่รักเคารพของหลวงพ่อเหมือนกันอย่างมากๆอันนี้ก็คืองานที่หลวงพ่อพูดให้ฟังงานแต่ถึงยังไงก็ตาม งานของตัวเองนะอย่าลืมงานของตัวเองคืออะไรคือการประกอบคุณงามความดีไปอย่างนั้นก็ประกอบคุณงามความดีอยู่ใช่ไหมเออก็ใชเออ่เป็นการประกอบคุณงามความดีส่วนหนึ่งออส่วนภายนอกแต่ส่วนภายในเข้ามาอีกนะั่นคือการประกอบคุณงามความดีคือบาเพ็ญสมาธิปัญญานะจุดนี้อย่าลืม ไปนัตสถานที่ใดอยู่นัตสถานที่ใดอย่าลืมจุดนี้จุดนี้เป็นหัวใจหัวใจของพระพุทธศาสนาหัวใจของพระพุทธเจ้าหัวใจของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประพฤติธปฏิบัติถึงจะทำงานทำการอะไรก็ตามถึงจะไปนัตสถานอยู่นัตสถานที่ใดก็ตามอย่าลืมเรื่องจิตภาวนาเรื่องภาวนานให้อยู่กับตัวเอง จะทำยังไงจึงจะจิตใจของเราจึงจะสงบแล้วก็พ้นทุก์ในวัฏฏะสงสารในที่สุดตัวนิยาลืมอันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านไฝในการปฏิบัติในไยในการแนะนำสั่งสอนสิทธานุสิตไม่ว่าหลวงปู่ล่าไม่ว่าหลวงตามหาบัวให้พวกเราฟังเถอะ ถึงจะทำการทำงานยังไงก็ทำแต่อย่าลืมอย่าลืมเรื่องจิตภาวนาเรื่องจิตภาวนาคำนี้นะ่ะเป็นการยกระดับจิตใจของเราให้หนีออกจากโลกวัฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดถ้าว่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถึงจะ มียศถาบรรดาศัก์ล่ารวยมหาศาลถึงขนาดไหนก็เถอะก็ไม่ไวยที่จะแก่เจ็บตายในที่สุดถ้าเมื่อเรามีการแก่เจ็บตายอยู่แล้วนะชีวิตทั้งชีวิตของเราเกิดมาพบใดชาติใดก็จะหาความสุขได้อย่างไรเพราะพวกเราเห็นอยู่แล้วนะระดับไหนก็เถอะถึงคราวนั้นเข้ามาแล้วแก่เจ็บตายเข้ามาแล้วนะมันไม่สีวิไลเลย สำหรับพวกเราที่มองเห็นแต่ท่านผู้ประสบการที่ทานผ่านไปแล้วท่านก็ผ่านไปแล้วก็จบไปพบหนึ่งชาติหนึ่งแต่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นที่ก่อนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายวงสาคนาญาติญาติเมตสหายของพวกเราก่อนที่จะจากไปในจุดนั้นะดูแล้ว อจะเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนนะเออถ้าหากว่าเอายกไข้ทั้งหมดอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่าให้ได้ตายเถอนะเออถึงจะแก้ผ้าอยู่ก็ยอมนะลักษณะอย่างนั้นนะ่ะแต่ไม่มีใครที่จะที่จะเปลี่ยนได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเออมันเป็นธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละพระพุทธเจ้าที่ท่านมองเห็นจุดนี้แ่ละ ท่านจึง ส, สแสวงหาว่าจะทำยังไงจึงจะไม่แก่ไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะนั้นท่านจึงได้ ส, สแสวงหาหนทางท่านจึงหนีออกจากเวียงวังตามปกติใครใจะพยายาจะหนีออกจากความสุขคือเวียงวังญาตผูกได้ความรับความอบอุ่น เ, เกิดพวกเรา พวกเราเกิดมาในสถานที่ใดชุมชนกลุ่มใดญาติพี่น้องหมู่ใดใครถอยากจะหนีแต่พระพุทธองค์มองเห็นแล้วว่ามหาภัยที่จะตามมา น, นมันมากกว่าที่จะรองรับถ้าไม่เสา ะ, ะแสวงหาทางจุดนั้นมาถึงแล้วรับไม่ได้เราควรจ ะ, สะแสวงหาหาทางออกไปก่อน วันนั้นพระพุทธเจ้าจึงในหนีออกจากเวียงวังไปอยู่ตามลำพังไปค้นคว้าศึกษาอยู่นานถึงหกปีตามพุทธประวัติทดลองอะไรดูสิในการทดลองของพระพุทธเจ้าทำทุกอย่างเป็นการทรมานทางกายดูแล้วไม่ใช่ทางจากนั้นกันดูทางจิตใจในเมื่อทางจิตใจก็ถือ เมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบนิ่งมีความสุขแต่ก็ยังไม่ใช่ถอนออกความจากความสงบมาพิจารณาในความรู้สึกในนั้ น, น, น, น, นจนถอนกิเลสที่จะพาให้เวียนว่ายตายเกิด น, นั่นคือตัวกิเลสราคะโทสะโมหะจากนั้นพระองค์ก็ได้ถอนกิเลสในวันเดือนหกแผ่น ท่านยังในตัดรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณจากท่านท่านก็ประกาศแล้ว่าสิ่งที่จะทำให้เกิดแก่เจ็บตายนั้นเราได้ถอนออกไปแล้วถอดออกแล้วมีแต่ความบริสุทธิ์ในใจของเราสิ่งที่จะทำให้เกิดหมุนเวียนไปนั้นตัดออกหมดแล้วจนกรกลองล้อ ก, กำเคลว่นที่จะหมุนไปนะั้นจบแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้ว เราจะไม่เกิดอีกแล้วจะไม่แก่ถ้าไม่แก่ถ้าไม่เกิดแล้วก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายตามมาตอนนี้เราไม่เกิดสิ่งที่เราจะให้เกิดนั้นเ อ, อเราถอนออกแล้วเหมือนกับเมล็ดข้าว เ, เมล็ดข้าวทําไมมันจังเกิด เ, เมล็ดข้าวได้มามันเพราะมาถูกน้ําแล้วเอาลงไปดิน มันก็งอกขึ้นมามันเกิดแต่ทำไมเราจะทำไม่ให้มันเกิดเออท่านก็มากระเทาะเปลือกอ่าก็พอกระทาเปลือกเสร็จแล้วก็เอามันเ่องอีกเลมานึ่องเสร็จแล้วเอาไปตากแดดอ่อตากแ ด, ด่ให้แห้งเชื้อมันหมดเชื้อที่จะทําให้เกิดนะเปลือกมันก็ออกอ่าแล้วก็ ที่จะทําให้เกิดเออเอาออกหมดแล้วมันมีแต่ความมรสุ์มีแต่เข้าเข้าสารหนึ่งและต่างหากเอาไปตากแดดเอ่อยังเหลืออยู่แต่สิ่งที่จะทําให้เกิดคื อ, เ, อเชื้อของมันออกหมดแล้วนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าชําระพระไทของพระองค์คือตัวกิเลสทิ่พาให้เกิดราคะโทสะโมหะ กำจัดออกแล้วมีแต่ความบริสุทธิ์มันเหมือนถตงมีแต่ข้าวสารข้าวสารหนึ่งและต่างหากมันจะงอกเงยได้ยังไงเพราะกำจัดเชื้อออกแล้วนี่แหละท่านจึงประกาศว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะไม่เกิดอีกแล้วเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราหลวงปู่หลวงตาของพวกเราก็ได้ดาเนินตามแนวแถวของพุทธะที่ท่านได้ตรัสได้ กล่าวเอาไว้การดำเนินงานดำเนินจุดนั้นคืออะไรในพวกเราจะต้องศึกษาอะไรที่พ่อแม่ครูใบอาจารย์พาดำเนินทาอย่างไรท่านก็รักษาศีลศีลคือรักษากายวายจาให้เรียบร้อยในเมื่อกิตใจกายวายจาเรียบร้อยไม่มีโทษนั่งสมาธิจิตใจก็เข้าสู่ความสงบได้ในเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบนิ่ง จากนั้นก็นำมาพิจารณาทางด้านปัญญ า, เ, าเห็นพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลวิธีการที่จะทำจิตใจให้หมดเชื้อในทำอย่างไรท่านก็ใช้ตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาสมาธิธิมักแปเนี่ยสมาสมาธิเป็นจุดท้ายาจากนั้นก็ชำระใจของท่านใจของท่านก็บริสุทธิ์ ไม่มีเชื้อกิเลสราคะโทสะโมหะกระเด็นกระดอนอันนี้พูดแบบภูมรัตนะ์ะแต่ก่อนที่ภาคปฏิบัติยังไม่ใช่ธรรมดานะคณะศนระัทธาญาติโยมลูกหลานนะจะุด ต, ตัวจะสู้กับกิเลสราคะโทสะโมหะได้เนี่ยโดยมากคุณสู้มันไปได้เลยพอสู้ๆไปแย่ๆเข้าไปได้นะกิเลสมันกิด ก, กล่อมเออกล่อมก็ไปกันหลับเข้าไปสู้กิเลสไม่ได้กว่าจะรู้ได้โอ้ตัดตัด แพ้กิเลสแล้วนะกลับมาตั้งหลักใหม่สู้อีกสู้ไปก็โอ้โตโตๆสู้กิเลสไม่ได้อีกอจนกว่าจะเห็นโทษมั น, นเออจึงจะเอาชนะมันได้นะวันนี้ก็ให้แนวความคิดสำหรับปกเราคนณะพระลูกหลานทั้งหลายคณะจัทธาญาติโยตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร